วันหนึ่งจะรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้นเป็นของโลกมันเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวร่างกายก็เป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่ในอากาศสธาติคือสเปซตั้งอยู่ในอากาศสธาติอากาศสธาติไม่ใช่แปลว่าแอร์นะไม่ใช่อากาศคือสเปซ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 จนถึงวันที่ท่านคืนธาตุคืนขันให้โลกนาะมานทั้งห้าก็จะทําอะไรท่านไม่ได้อีกแล้ะมานจะมองไม่เห็นมานไม่สามารถเห็นได้นะว่าพระอราหันนิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ถ้าเราภาวนาเข้าใจปรามัดนะเข้าใจความจริงโดยปรามัดเนี้ยถึงขีดสุดก็จะไปสู่พระนิพพานก็พ้นทุกข์สิ้นเชิง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 ใชงั้นเราภาวนานะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปคําว่านัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอานัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอํานาจไม่เป็นไปาตามปราณปราณปรารถนาอะไรเงี้ยไม่มีสิ่งซึ่งเป็นอัตตาปฏิเสธต่ออัตตาแปลได้หลายอย่างนะอานัตตาแปลได้5แบบ